ชีวิตในลาวป่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์สวยงามแต่มีธรรมชาติเช่นพฤกษาระดาวันและสัตว์ป่าทำให้ท่านผู้เคยอยู่ในราชสํานักได้ประสบความสดชื่นอย่างใหม่ที่ง่ายๆและเบาสบายไม่มีเรื่องวุ่นวายโกลาหลเป็นชีวิตที่ดูเพียงผิวเผินก็คล้ายกับไม่มีความหมายไม่สนุกสนานร่าเริงแต่ประหนึ่ง มีแสงสว่างจุดไว้ภายในกิจมีความสงบเย็นมีความพร้อมที่จะช่วยปลอบประโลมผู้กลัดกลุ่มรุ่มร้อนทั้งหลายว่าที่ต่างคนต่างดิ้นรนเกลือกริ่งอยู่ในความทุกข์มีหน้าตาดำเคริมเครียดด้วยเรื่องราวต่างๆมีรู้แล้วนั้นมิใช่ว่าความทุกข์มันวิ่งไล่คุกคาม ก็ความเดือดร้อนให้เสมอไปบางครั้งก็เห็นได้ชัดทีเดียวว่าตัวผู้ทุกข์ร้อนนั่นเองเป็นผู้หาเชื้อเพลิงมาสมตนแล้วก็ก่อไฟเผาบ้างก็ร้องเรียกหาที่พึ่งลึกกระเสือกกระสนหนีความเร่าร้อนนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะดับได้อย่างไรถ้าเขารู้ว่าพระบรมศาสดา ได้ส่งชี้ทางให้ดับความเร่าร้อนนั้นโดยวิธีง่ายๆคือลดความทยานอยากอันดุลแรงลงเสียหัดปล่อยวางจิตใจบ้างไม่แบกเรื่องราวต่างๆไว้จนมากเกินไปความเบาสบายก็จะเกิดขึ้นบ้างตามสมควรแก่การปล่อยวางแล้วเขาจะรู้ด้วยตนเองว่าวิธีแก้ความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นดูไม่ยากอะไรนัก เพียงเขาทิ้งความยึดถือความแบกหามในจิตใจซสบ้างเท่านั้นก็ไม่ต้องไปแก้ที่อื่นไม่ต้องไปหลงโทษโชคชะตาหรือเคาะร้ายอะไรเลยกระท่อม มุงด้วยแฝกกลางทุ่งนาอันร้อนระอุในฤดูแล้งแม้จะไม่มีร่มไม้ที่ให้ร่มเงาในที่ใกล้เคียงแต่ถ้าในที่นั้นมีน้ำใจแล้วก็จงเข้าไปพักผ่อนเถิดน้ำใจจะช่วยให้ความเร่าร้อนกระวนกระวายภายนอกสงบลงได้ตามสมควร คนเหล่านั้นถ้าไม่ด่วนทอดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าเสียหายจนหมดทางแก้เมื่อผิดพลาดอะไรลงไปก็อาจกลับตัวได้ตั้งต้นทำความดีใหม่สร้างความสดชื่นให้แก่ชีวิตที่อับเฉานําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนเองได้เพราะคนที่เกิดมาในโลกน้อยคนนักหรือเกือบจะหาไม่ได้เลยที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาด แต่คนที่ทำดีนั้นคือคนที่พยายามแก้ไขความผิดพลาดของตนเพราะฉะนั้นคำว่าลุกขึ้นนั่งเถิดจงทำตามคำสอนของท่านผู้ตัดสรุดังนั้นจึงเท่ากับเป็นคำเตือนให้ผู้หลับเพราะความหลงให้ตื่นขึ้นรวมทั้งเตือนให้ผู้ที่หกลม้มพลาดพลัง้งให้ลุกขึ้นแก้ไขความผิดพลาดที่แล้วมา ความผ่อนคลายกลัดกลุ่มรุ่มร้อนทำให้เห็นว่าเมื่อไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความทยานอยากแล้วก็จะหาความสุขได้ในทุกสถานที่ถ้าทำอะไรเป็นแต่เพียงคนเดียวเมื่อเหตุเกิดขึ้นเช่นเจ็บป่วยหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้น คนอื่นๆก็จะวิ่งวุ่นคิดไม่ถูกทำไม่ถูกการฝึกคนไว้ใช้งานให้มีความรู้ความสามารถตามควรแก่หน้าที่จึงเป็นสิ่งจำเป็นทำให้การงานไม่ข้างค้างเพราะจะต้องรอบุคคลเพียงคนเดียวไว้ใจผู้อื่นไม่ได้เลยจิตใจที่ยังไม่เจริญไม่ว่าจะทางานชนิดไหนก็จะมุ่งอย่างเดียวแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จิตใจที่เจริญเติบโตกว่านั้นย่อมมุ่งทั้งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ส่วนรวมส่วนจิตใจที่เจริญเต็มที่แม้บางครั้งจะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ยินดีสละการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นมาจากการช่วยเหลือตนเองให้ได้ก่อนฉะนั้นผู้มีจิตใจสูงแม้จะช่วยตัวเองก่อน ก็จะไม่ทำในทางที่ผิดแต่จะช่วยในทางที่ถูกไม่อาศัยความชั่วเป็นทางดำเนินผู้เบียดเบียนผู้อื่นนั้นคือผู้เบียดเบียนตนเองผู้ส่งเคราะห์อนุเคราะห์ตนเองนั้นก็คือผู้ส่งเคราะห์ผู้อื่น คนเราไม่ได้เป็นคนถอยเพราะชาติไม่ได้เป็นคนประเสริฐเพราะชาติคนเราจะเป็นคนถ่อยหรือคนประเสริฐก็เพราะการกระทำของตนการทำบุญก็คือการชาระจิตใจของผู้กระทำคือตัวเราเองให้บริสุทธิ์สะอาดการได้บุญก็คือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดไม่ใช่การนั่งทวงผลบุญหรือมุ่งหมาย จะให้เกิดสิ่งตอบแทนตั้งร้อยตั้งพันเท่าทำดีทำชั่วนั้นพ้นดีชั่วปรากฏแล้วตั้งแต่วาระแรกที่ลงมือทำเปรียบเสมือนตราประทับเครื่องหมายลงไปบนแผ่นดินเหนียว ถ้าเป็นการกระทำความดีก็ชื่อว่าประทับตาฝ่ายดีลงไปในจิตใจของเราถ้าเป็นความชั่วก็เท่ากับประทับตาฝ่ายชั่วลงไปแล้วส่วนผลที่จะตามมาภายหลังอีกนั้นเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากตราแห่งความดีความชั่วที่ประทับลงไปในจิตใจของเราในคราวแรก ความดีเป็นของไม่ลึกลับเลยแต่ทำไมถึงได้ถูกมองข้ามทำไมไม่ลงมือทำเสียก่อนเพิ่งจะมาทำในวันนี้แต่ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่พอจะทำความดีได้ตราบนั้นก็ยังไม่สายเกินไป พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ใช้วิธีอ้อนวอนลวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการรอคอยพึ่งแต่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นดนบันดาลหรือช่วยเหลือแต่สอนให้พึ่งตนเองช่วยตนเองผู้อื่นแม้จะเป็นคนสําคัญสักแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้อื่นถ้าเรางอมืองงอเท้าไม่คิดทําอะไรให้ดีงามสําหรับตนเองบ้างเลย ก็ไม่ผิดอะไรกับยาจกที่มองดูสมบัติของเศรษฐีด้วยความกระยิมยินดีแต่เขาก็คงเป็นยาจกอยู่นั่นเองเมื่อใดเขาพยายามทำมาหากินสะสมทรัพย์สมบัติที่หาได้ยากยกฐานะของตนให้สูงขึ้นโดยลำดับเมื่อนั้นจึงชื่อว่าเขาได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการพึ่งตนเอง ถ้าเราจะนับถือพระพุทธศาสนาให้ได้ประโยชน์ไม่งมงายก็ควรให้เป็นไปในลักษณะรู้จักต้นไม้ทั้งต้นไม่ใช่เพียงรู้จักดอกหรือรู้จักผลหรือรู้จักแต่เพียงแค่ร่มเงาของต้นไม้กล่าวคือบางคน กล่าวชมเชยผลไม้ว่าดีกว่าลาต้นบางคนรู้จักแต่ดอกไม้แล้ตำหนิลําต้นว่าไม่ดีเหมือนดอกบางคนก็สรรเสริญร่มเงาว่าดีกว่ า, วาส่วนอื่นๆคนที่รู้จักประโยชน์เฉพาะอย่างเช่นนี้ก็เช่นเดียวกับคนที่นับถือาศาสนาเดียวกันแล้วแตกแยกความคิดทะเลาะวิวาทกันเองว่าคาสอนนี้ดีกว่าคำสอนนั้น แท้จริงคาสอนเป็นเรื่องให้ประพฤติปฏิบัตินี้กับคําสอนเรื่องที่ให้รู้จักขยายปณิธานเพื่อบำเพ็ญประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นก็เป็นคาสอนของพระบรมศาสดาด้วยกันจะว่าอย่างโน้นแคบอย่างนี้กว้างก็คล้ายกับคนที่กล่าวว่าส่วนยอดของต้นไม้มีผลสาคัญกว่าส่วนลาต้นและราก ทางที่ดีควรจะศึกษาให้รู้จักประโยชน์ของทุกส่วนในที่สุดก็จะปลองดองกันเพราะรู้จักประโยชน์โดยทั่วถึงร่างกายทุกส่วนก็มีหน้าที่มีความสำคัญด้วยกันควรบำรุงรักษา ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกส่วนชั้นใดพุทธศาสนิกชนก็ควรจะเข้าใจพระพุทธศาสนาให้ทีทุวนทุกส่วนแห่งคำสอนและมีความสามคัคคีกลมเกลียวกันทุกฝ่ายเพื่อทำประโยชน์ร่วมกันคือการช่วยกันเผยแผ่หลักแห่งความร่มเย็นเป็นสุขหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาและหลักธรรมแห่งการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล ให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้มีส่วนร่วมลิ้มรสพระธรรมนั้นโดยทั่วกันความเกี่ยงแย้งกันเรื่องใครเป็นยานอะไรหรือนิกายอะไรก็จะหมดไปจะมีแต่การร่วมมือกันทำประโยชน์ให้กว้างขวางออกไป เม่าม่วงผลเดียวเมื่อนำไปปลูกให้ผลนับจํานวนไม่ท้วนก็จริงแต่ระหว่างเวลาที่ผลยังไม่เกิดคนเขาย่อมทนคอยไม่ได้คนที่ทํานาวันเดียวต้องการให้ข้าวออกรวงทําสวนวันเดียวต้องการให้เก็บผลไม้ได้นั้นมีอยู่มากคนเหล่านี้เมื่อได้ผลอะไรไม่ทันใจก็ทอดทิ้งความเพียรเสียโดยมากคนคลองเลือน ควรดูตัวอย่างทั้งความสิ้นเปลืองและความเจริญซึ่งเกิดขึ้นทีละน้อยตัวอย่างแห่งการสิ้นเปลืองเช่นยาหยอดตาแม้หยอดทีละหยดก็หมดได้ตัวอย่างแห่งความเจริญเช่นปลวกก่อหลังทีละน้อยและตัวพึ่งหาน้ำหวานมาทีละน้อยก็ได้มากในที่สุดคนโง่ย่อมทำอะไรเหมือนไฟไม้ฟาง คือคักแต่เวลาแรกแล้วก็รามือไปทำอะไรไม่ติดต่อเพราะชอบแต่รับผลแต่เกียดคล้านที่จะประกอบเหตุดูก่อนโครกระบือทั้งหลายเจ้าทำงานหนักโดยไม่ปริปากบน่นแต่คนเขา จะบ่นตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำอะไรเพราะเขาอยากจะให้ฝนเงินฝนทองตกลงมาเต็มบ้านเต็มเรือนของเขามากกว่าการที่จะต้องลาบากทางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องความเพียรเป็นประหนึ่งศัตรูในตอนแรกแต่เป็นญาติสนิทในตอนหลังส่วนความเกลียดคล้านเป็นญาติสนิทในตอนแรกแต่เป็นศัตรูในเบื้องปลายท่านจะเลือกครบใคร ก็ครบเถิดจงรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาจงรู้จักบริษัทคือประชุมชนและจงรู้จักบุคคลผู้ใดใช้ความรู้ทั้งเจนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ผู้นั้นย่อมอยู่อย่างมีความสุขได้ในที่ทั้งปวง ผู้คิดทำการใหญ่ควรคิดสร้างรากฐานให้ดีด้วยมิเช่นนั้นงานใหญ่นั้นจะพังทับตัวเองถ้าคิดถึงความสำเร็จหนึ่งส่วนก็จะต้องเตรียมเผื่อไว้สำหรับอุปสรรคต่างๆสามส่วนด้วยจะได้ไม่ตกอยู่ในความประมาท อย่านั่งนอนคอยโชควาสนาให้ลอยมาหาเองเพราะจะเป็นเหมือนราชสีนอนหลับคอยให้เนื้อเข้าไปอยู่ในปากแต่จงมีความอุสาหพยายามถ้าลงมือทาตั้งแต่บัดนี้ก็ได้ชื่อว่าเดินทางไปสู่ความสาเร็จอย่างมีเหตุผลอย่าดูหมิ่นความเจริญที่เกิดขึ้นทีละน้อยและก็อย่าดูหมิ่นความเสื่อม ที่เกิดขึ้นทีละน้อยเช่นกันถ้าน้ําหยดลมตุ่มทีละหยดทําให้ตุ่มเต็มได้น้ําที่ไหลออกจากช่องรั่วทีละน้อยก็ทําให้หมดตุ่มได้เช่นเดียวกันสหายเออยจงเก็บเล็กผสมน้อยไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้หรือทรัพสมบัติจงตัดความสิ้นเปลืองที่ไม่จําเป็นและไม่มีประโยชน์ จะก่อสร้างฐานะให้ยิ่งใหญ่สักเท่าใดก็ได้ถ้าท่านรู้จักทำงานเหมือนตัวปลวกอย่าลืมตนคิดแต่จะฝึกจะจัดระเบียบให้แก่คนอื่นเท่านั้นจงมองดูตัวเองบ้างว่าได้รับการฝึกดีแล้วหรือมีระเบียบดีแล้วหรือหายเอย่ยถ้าท่านมีคนรับใช้จงลองหัดนึกว่าคนเหล่านั้นเป็นลูกหลานท่านเองและความเกี่ยวกาด จะเอาแต่ได้เอาแต่ใจตนของท่านจะบรรเทาลงได้หรือมิฉะนั้นจงลองนึกกลับกันให้ตนเองเป็นผู้ถูกเขาใช้บ้างความเมตตากรุณาผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นได้คำว่าพอคำว่าอิ่ม คำว่ารู้จักประมาณไม่มีในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าพินาศไปแล้วครึ่งหนึ่งความสงบนั้นมีอยู่ในถ้มกลางความไม่สงบนั่นเองผู้ใดปรับปรุงใจให้สงบได้ผู้นั้นย่อมหาความสุขได้ในความทุกข์ จงพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอย่าเปิดโอกาสให้ความลิษยามาครอบงำจิตใจท่านได้เพราะความลิษยาทำให้โลกพินาศรวมทั้งทำลายตัวผู้ลิษยาลงด้วยบุคคลผู้ชอบเที่ยวโพธนาความชั่วของผู้อื่น ชื่อว่าทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาแม้เรื่องที่จะพูดจะเป็นความจริงก็ไม่ทําให้ตนดีขึ้นนอกจากจะทําให้คนทั้งหลายเห็นว่าผู้พูดมีอัธยาศัยชั่วหาความสุขด้วยการเหยียบย่าคนอื่นจงมีเมตตากรุณาต่อคนที่พลาดพลัง้งอย่าซ้าเติมถ้าช่วยได้จงช่วยพยุงให้เขาลุกขึ้นถ้าไม่มีคนผิดพลาดเลยในโลก พระพุทธศาสนาก็ไม่จําเป็นอะไรเพราะแท้จริงศาสนานี้คือที่พึ่งสําหรับคนผู้พลาดพลั้งให้ได้มีโอกาสแก้ตัวและกลับตัวดีขึ้นจงอย่าคุยโอในความดีความรู้ความสามารถของตนเองจงอย่าปกปิดซ่อนเร้นความดีของผู้อื่นหรือโกงเอามาเป็นของตนการยกตนเองการกดขี่ผู้อื่นนั้น คนโง่นึกว่าเป็นการดีแต่ผู้รู้เห็นว่าเป็นการกดตนเองให้ต่ำลงยิ่งกว่าเดิมถ้าเห็นชีวิตเป็นเพียงกระแสน้ำซึ่งไหลไปไม่หยุดนิ่งย่อมไม่ลำพองใจเมื่อประสบอิทธาลม และไม่หดหูแห้งใจเมื่อประสบอนิถารมผู้ใดมีสติสอนใจตนเองอยู่เสมอในความไม่แน่นอนของสิ่งทั้งหลายผู้นั้นย่อมไม่ตั้งหน้าจะบังคับให้เหตุการณ์ในโลก เป็นไปตามใจของตนเท่านั้นสูงทั้งหลายจงมาดูโลกนี้จงรู้จักโลกนี้แต่อย่าแบกไว้อย่าหาบไว้อย่าหามไว้เพราะการแบกหรือการหามก็ตามจะไม่ช่วยให้โลกดีขึ้น นอกจากจะกอดทุกข์ให้แก่ผู้แบกเป็นต้นเท่านั้นเองการแก้ไขทำกระแสโลกให้เป็นกระแสธรรมนั้นเหมือนการบังคับน้ำให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงซึ่งอาจทำได้ด้วยวิธีการต่างๆก็จริง ถ้าวางเมื่อไหร่น้ำก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำทันทีคนที่ไม่ฉลาดสามารถแม้จะมีเครื่องมือมีคนรับใช้นับไม่ถ้วนก็จะไม่อาจใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์บุคคลทุกคนในโลกนี้แม้เบื้องต้นจะตกต่ำ ยากแค้นแสนเข็นถ้ามีความเพียรพยายามถ้าตั้งอยู่ในคุณงามความดีก็อาจเฟื่องฟูมีฐานะสูงกว่าเดิมและสูงกว่าเหนือกว่าคนทั้งหลายอย่างไรก็ได้ฉะนั้นในโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสน ความสุขของโลกีชนนั้นมีน้อยนักเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่ต้องลงทุนเหมือนผู้พยายามหาเพชรในหินแม้จะได้เพชรมาแต่ประโยชน์ของมันก็มีน้อยและยังนำอันตรายมาสู่เจ้าของมากกว่านำความสุขมาให้สัตว์โลกทุรนทุรายเหมือนยืนอยู่บนกิ่งไม้ที่มีไฟโหมอยู่รอบด้านจะลงก็ไม่ไหวจะขึ้นไปอีกก็ไม่ได้ มนุษย์และสัตว์เกิดมาเพื่อความทุกข์ทรมานสาระของชีวิตนั้นอยู่ที่ความดีชีวิตที่ไร้ความดีจึงเป็นชีวิตที่ไร้สาระเป็นโมฆะชีวิตว่างเปล่าและน่าเสียดายความทุกข์และความไม่สมหวัง เป็นสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตเพราะมันทำให้บุคคลรู้จักคุณค่าของความสุขถ้าไม่มีความหิวรบกวนมนุษย์จะรู้จักคุณค่าของอาหารได้อย่างไรศิลธรรมควรจัดปนไว้ในวิชาทั้งหลายเพราะจะเปรียบวิชาทั้งหลายเป็นดิน ก็ควรเปรียบวิชาศิลธรรมเหมือนน้ำโบราณกล่าวว่าดินที่จับกันเป็นก้อนนั้นเพราะอาศัยน้ำช่วยสมานไว้บางครั้งจะเห็นเป็นดินแห้งแต่ก็มีน้ำแฝงอยู่อย่างไม่ปรากฏตัวต่อเมื่อนำไปเผาไฟจึงเห็นควันขาวๆหรือไอ้น้ำออกมาลำพังดินรว น, รวนที่ไม่มีน้ำผสมอยู่ย่อมแยกกัน และกลายเป็นฝุ่นฟุ้งได้โดยง่ายคนที่มีความรู้มีวิชาทั้งหลายโดยไม่มีศีลธรรมกำกับเลยก็มีทางที่จะฟุ้งซ่านปราศจากเครื่องยึดเหนี่ยวหรือนำวิชาไปใช้ในทางที่ผิดได้อันว่าทางสัญจรตอนใดที่มากไปด้วยฝุ่นถ้าประสงค์จะลดความฟุง้งซึ่งยังความรำคาญและเปละเปื้อนให้เกิดขึ้น ชนทั้งหลายย่อมใช้วารีคือน้ำซัาสาดให้เป็นฝอยคลุมทั่วทั้งบริเวณฉันนั้นการเคารพอาจารย์นั้นเป็นสิริมงคลแก่ตัวอย่างน้อยที่สุด อาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีวัยสูงกว่าสิทธิ์และมีน้ำใจเปี่ยมด้วยความหวังดีต่อสิทธิ์แม้สิทธิ์จะเก่งกว่าสามารถกว่าอาจารย์ก็ไม่เคยคิดลิษยามีแต่ความภาคภูมิใจว่าเป็นสิทธิ์ของตนและสิทธิ์เป็นคนดีมีความสามารถสิทธิ์ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ให้มากสิทธิ์ที่คลายความเคารพอาจารย์ลงนั้นมีแต่ความเสื่อมเป็นเบื้องหน้า ภายใต้สิ่งอันดูเหมือนกุหลาบแห่งชีวิตนี้มีสิ่งซึ่งประดุดน้ำแหลมซ่อนอยู่ภายในทั้งสิ้นชีวิตทุกชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดชาวนาต้องอาบเหงื่อต่างน้ำเดินตามหลังโคคู่เหยียบย่ำไปบนดินเหนียวซึ่งอาจจะมีเศษแก้วเศษกระเบื้องหรือน้ำแหลมซุกซ่อนอยู่ก็เพียงเพื่อให้ได้อาหาร มาเลี้ยงชีพตนเลี้ยงบุตรเลี้ยงภรรยาและบริวารชนอื่นๆเขาจึงต้องทนเหยียบย่ำไปตามรอยไถตามกลางแสนแดดกล้าโคเล่าก็ต้องจำยอมลากแอกและไถไปฐานะเป็นสิ่งอันตนสลัดให้หลุดไม่ได้ซึ่งขอนั้นก็ถลอกปอกเปิกเพราะการคลูดแห่งแอกบางทีก็ต้องถูกตีด้วยไม้เดียว ถูกแทงด้วยประตักจนขนหลุดร่วงมีเลือดไหลซึมออกมาแม้จะร้อนและหิวย่ากระหายน้ำก็มีอาจพูดจาขอร้องวิงวอนใดๆมีบางครั้งที่ผานไถ่ฉชลับไปเสียดเอากับน่องเลือดแดงสดไหลซึมออกมาบางทีก็เป็นรอยลึกหน้าเวทนาบางตัวเดินน้ำตาไหลมันอาจจะได้ยินเสียงลูกน้อยที่ยังไม่อดนม เรียกร้องหาแม่เพื่อที่จะดื่มนมหัวใจที่กรุณาต่อลูกอยากให้ลูกได้ดื่มนมนั้นท่วมท้นแต่จะทําอย่างไรได้เล่าในเมื่อแอกอันแข็งแรงหนาอยู่บนคอครอบคออยู่มีสายเชือกระโยองระยางร้อยจากจมูกโยงไว้กับงอนไถอย่างมั่นคงมันต้องถูกจองจําทุกครั้งที่คนใช้งานจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอย่างไร ก็ไม่อาจจะขอร้องวิ่งวอรเพื่อพักผ่อนจนกว่าชาวนาจะเหน็ดเหนื่อยเหลือทนปลดปล่อยมันถึงกันนั้นก็ยังมีเชือกร้อยจมูกนำไปผูกไว้กับหลักไม่เป็นอิสระแก่ตนบางตัวก็เป็นแผลลึกเน่าเปื่อยบนหลังและสีข้างจะกินจะนอนก็ไม่เป็นสุขต้องคอยใช้หางพัดวีมแมลงวัน ซึ่งคอยรบกวนสูบเลือดสูบเนื้อและยังเป็นสาเหตุให้เกิดหนอนช่วยกัดกินเนื้อของมันอีกด้วยช่างน่าสงสาร น, น่าสังเวชอะไรเช่นนั้นการทำลายชีวิตนั้นเป็นของง่าย แต่การสร้างชีวิตนั้นยากและโดยเฉพาะชีวิตที่ถูกทำลายแล้วใครๆก็ไม่อาจที่จะสร้างขึ้นได้อีกบุคคลผู้มีใจเป็นธรรมจึงไม่ควรทำลายสิ่งที่มีชีวิตซึ่งตนไม่สามารถทำคืนได้ดังเดิมสัตว์มีชีวิตทั้งปวงย่อมสะดุ้งหวาเสียวต่อความตายย่อมรักชีวิตของมันจะเป็นแพะแกะสุกรไก่หรือโดยที่สุด แม้แต่แมลงตัวเล็กๆก็ย่อมจะดิ้นรนขวนขวายเพื่อความปลอดภัยและเพื่อดำรงชีพอยู่ฉันเดียวกันกับมนุษย์เมื่อเป็นชะนีเหตุไฉนมนุษย์ผู้รักตนรักชีวิตของตนจึงต้องทำลายสัตว์ผู้ไม่มีกำลังต่อสู้เพียงเพื่อบำบัดเคราะหกรรมของตน ถ้ามนุษย์ประสงค์จะได้รับความเมตตากรุณาไม่ว่าจากสัตว์หรือเทพเจ้ามนุษย์ก็ควรแสดงเมตตากรุณาออกไปก่อนมหาสมุทรให้น้ำแก่ฟ้าฟ้าให้น้ำแก่ดินและมหาสมุทรกลับคืนมามหาสมุทรเป็นแหล่งบริจาคน้ำอันใหญ่หลวงและในที่สุดน้ำทุกแห่งไม่ว่าในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึง ก็หลกลับมาสู่มหาสมุทรทั้งสิน้นบุคคลก็เช่นกันแสดงอะไรออกไปย่อมได้รับสิ่งนั้นแทนมาเสมอไม่ช้าก็เร็วเสียงปลุกให้ลุกขึ้นเพื่อทำความเพียร ภาคที่สองก็ได้นำเสนอท่านผู้ฟังมาด้วยเวลาพอสมควรแล้วหวังว่าเทปชุดนี้คงจะช่วยให้ท่านได้คติเตือนใจอะไรดีๆบ้างไม่มากก็น้อยสนใจเทปธรรมะประเภทนี้เชิญติดต่อได้ที่ธรรมทัศสมาคมโทร374 5230กรุงเทพมหานครขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟัง